มหาสติปัฐานสูตรโดยดังตรินตอนที่เจ็ดเท่าทันความไม่ใช่ตัวตนของผัสษะขั้นที่สามของการฝึกมีสติอยู่กับสภาพธรรม หลังจากฝึกสติเท่าทันความเกิดดับของขันห้าได้ระยะหนึ่งอุปาทานว่านี่กายมนุษย์นี่ใจมนุษย์จะลดลงเรื่อยๆเห็นแต่ว่านี่ก็ขันนั่นก็ขันเกิดและดับตามเหตุผลอันสมควรขันหนึ่งดับไปขันใหม่เกิดขึ้นสืบแทนไม่น่าสมมุติเรียกว่าเป็นกายใจของใครจึงสรุปได้ว่าไม่เคยมีใครเกิดมา ไม่เคยมีใครตายไปสักคนเดียวแม้นาทีนี้เราก็กำลังเห็นอะไรต่างๆด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราดังนั้นถ้าคิดว่าเคยรู้เห็นหรือคิดว่าเคยมีอะไรมาเท่าไหร่ก็ล้วนเป็นความเข้าใจผิดไปทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงเลอะเลือนแล้วสาบสูญไปทั้งสิ้นสิ่งที่จริงมีอย่างเดียวคือเรากำลังถูกหลอกให้คิดว่า ขันหาเป็นเราไปเรื่อยๆทว่าแม้ชำระฐานที่ตั้งของอุปาทานออกมาเป็นชิ้นๆแล้วกิเลส ก, ก็ยังไม่ถูกทำลายลงทันทีทั้งนี้เพราะพวกเรายังอยากมีตัวตนเอาไว้เสพผัสสะอันน่าชอบใจอยู่ดังนั้นสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือเท่าทันผัสสะกระทบทั้งหลายเพื่อเผาความอยากมีตัวตนให้เหือดแห้งไป เมื่อความอยากมีตัวตนเหือดแห้งไปสติย่อมเด่นชัดโดยปราศจากมนทินย่อมกลับมาเห็นความปรากฏแห่งกายใจและผัสสะทั้งหลายเป็นเพียงพันธนาการผูกมัดเราไว้กับภาระอันหนักอึง้งสมควรที่จะปลดเลื้องพันธนาการลงเสียทีเพื่อให้ง่ายและปฏิบัติได้จริงในเบื้องตน้นก่อนอื่นควรตั้งข้อสังเกตว่า เรากําลังติดใจอะไรอยู่บ้างจะเป็นบุคคลการละเล่นวัตถุหรือสิ่งอื่นใดแม้กระทั่งสถานที่บำเพ็ญภาวนาอันสงบวิเวกน่าชื่นใจก็ตามเมื่อยอมรับกับตัวเองตามซื่อว่าติดใจสิ่งใดอยู่ก็ให้สังเกตความต่างของจิตคือขณะใดเจริญสติได้ผลจิตจะปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งห่อหุ้มไรพันธะร้อยรัดไม่มียางเหนียวยึดเหนียวเกาะกุมแต่เวลาใดใจประวัติคิดถึงหรือจะเอาตัวเข้าใกล้สิ่งที่ติดอยู่ความปลอดโปร่งจะหายไปคล้ายมีบางสิ่งเข้าโจมจับใจแบบปุบ ป, ปับฉับพลันตั้งสติรู้เท่าทันได้ยากต้องเตรียมดูล่วงหน้าจึงเห็น เราจะรู้สึกถึงพลังดึงดูดจากเป้าหมายภายนอกรอให้จิตทยานยื่นออกไปเกาะเกี่ยวเหนียวรัดซึ่งหากปล่อยใจเพียงชั่วขณะเดียวสติจะขาดหายเพราะจิตโดนผูกมัดอย่างเหนียวแน่นด้วยอำนาจเสน่ห์ของผัสสะนั้นๆแต่หากมีอำนาจของสติคานกันได้กับอำนาจเสน่ห์ของผัสสะเราจะรู้อยู่เห็นอยู่ว่าจิตมีอาการทยานยื่นออกไปยึดเป้าหมาย และด้วยสตินั่นเองอาการยึดจะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวแล้วปล่อยออกแล้วรู้สึกถึงความเป็นอิสระของจิตที่พ้นจากการเกาะกลุ่มเมื่อเห็นได้ครั้งหนึ่งก็จะสามารถเห็นครั้งต่อไปและถ้าเห็นชัดๆหลายรอบเข้าความรู้ที่สำคัญจะเกิดขึ้นนั่นคือกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆ ต้องมีผัสสะกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งนำมาก่อนเสมออาจเป็นความคิดความเก่าๆก็ได้เมื่อเกิดผัสสะล่อใจแต่ละครั้งแล้วเราปล่อยใจให้ถลำไปกิเลสก็จะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าตั้งสติรู้ได้ทันใจก็จะถอนขึ้นจากหล่มกิเลสทีละเล็กทีละน้อยครั้งแรกๆอาจยากเหมือนฝืดฝืนแต่ครั้งต่อๆไป จะง่ายขึ้นทุกทีเหมือนเป็นอัตโนมัติทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับความจริงด้วยว่ากำลังสติของเราเท่าทานผัสสะได้เพียงบางชนิดไม่ใช่ทุกชนิดอย่างเช่นแหล่งรวมผัสสะล่อใจอันได้แก่บุคคลอันเป็นที่น่าปรารถนาน่าสัมผัสยั่วยวนให้เกิดการมารมณ์หากไม่มีทางสู้ หรือสู้ไม่ได้ก็อย่าไปสู้ให้อยู่ห่างไปเลยช่วงใดยอมเข้าใกล้แหล่งรวมผัสสะที่ร้อนแรงยอมชีว่าช่วงนั้นเรายังไม่เต็มใจไปให้ถึงความหลุดพ้นจริงจังแน่นอนว่าไม่ใช่บาปผิดตามคดีโลกแต่ถือเป็นความผิดต่อ น, นิพพานเมื่อสติเจริญเต็มกาลังเราจะเห็นละเอียดละอ กระทั่งขณะแห่งการเกิดความยึดติดในทันทีที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มได้สัมผัสและได้รู้สึกแยกแยะได้ดังนี้ 1. ในการได้เห็น ด้วยสติที่คมชัดเราจะทราบว่ามีการเล็งตาเกิดขึ้นก่อนจากนั้นรูปจึงปรากฏชัดขึ้นซึ่งถ้าเป็นรูปที่ต้องตาหน้าพึงใจสำหรับเราความยึดติดก็เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ใคร่จดจอ่ออยากมีตัวตนไว้เล็งแลรูปนั้นนานๆ 2. ในการได้ยิน ด้วยสติที่คมชัดเราจะทราบว่ามีการเงี้ยหูเกิดขึ้นก่อนจากนั้นเสียงจึงปรากฏชัดขึ้นซึ่งถ้าเป็นเสียงที่น่าฟังสำหรับเราความยึดติดก็เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ใครจดจอ่ออยากมีตัวตนไว้เงี้ยหูฟังเสียงนั้นนานๆ 3. ในการได้กลิ่นด้วยสติที่คมชัด เราจะทราบว่ามีการสูดดมเกิดขึ้นก่อนจากนั้นกลิ่นจึงปรากฏชัดขึ้นซึ่งถ้าเป็นกลิ่นที่หอมหวนหน่าเ ค, เคลิ้มสำหรับเราความยึดติดก็เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ใครจดจอ่ออยากมีตัวตนไว้สูดดมกลิ่นนั้นนานๆ 4. ในการได้ลิ้มด้วยสตทยิที่คมชัด เราจะทราบว่ามีการลิ้มเกิดขึ้นก่อนจากนั้นรถจึงปรากฏชัดขึ้นซึ่งถ้าเป็นรถที่ อ, ร, อร่อยสำหรับเราความยึดติดก็เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ใครจดจอ่ออยากมีตัวตนไว้ลิ้มรถนั้นนานๆ 5. ในการสัมผัสด้วยสติที่คมชัด เราจะทราบว่ามีการกาหนดรู้สึกทางกายเกิดขึ้นก่อนจากนั้นสัมผัสแตะต้องจึงปรากฏชัดขึ้นอย่างเช่นนั่งนานๆจะลืมว่าพื้นที่นั่งมีความแข็งหรืออ่อนนิ่มจนกว่าจะกาหนดดูส่วนของร่างกายซึ่งสัมผัสกับที่นั่งอยู่จึงทราบว่าแข็งหรือนิ่มเพียงใด ถ้าเป็นสัมผัสที่น่าเพลิดเพลินสำหรับเราความยึดติดก็เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ใคร่จดจอ่ออยากมีตัวตนไว้แนบสนิทอยู่กับสัมผัสนั้นนานๆ 6. ในการรับรู้ด้วยสติที่คมชัดเราจะทราบว่ามีการกำหนดใจเกิดขึ้นก่อน จากนั้นสิ่งกระทบใจจึงปรากฏชัดขึ้นสิ่งกระทบใจนั้นอาจเป็นความนึกคิดความรู้สึกทางจิตนิมิตฝันนิมิตสมาธิความว่างของอากาศไปจนกระทั่งสุญญตาภาพแห่งนิพพานถ้าสภาพธรรมที่ถูกรู้นั้นน่ายินดีสำหรับเราความยึดติดก็เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ใคร่จดจอ่อ อยากมีตัวตนไว้รับรู้สภาพธรรมนั้นนานๆผัรษะอันน่าชอบใจทั้งปวงเว้นไว้แต่นิพพานแล้วย่อมยังให้เกิดความอยากมีตัวตนเพื่อซ้องเสพไม่เลิกราและตราบเท่าที่ยังมีตัวตนตราบนั้นจะมีนิมิตแห่งตัวตนปรากฏขึ้นเสมอทั้งในแบบที่เป็นนามธรรม และทั้งในแบบที่เป็นรูปธรรมไม่มีทางที่เราจะพ้นทุกข์ตราบเท่าที่ยังยอมถูกผูกมัดไว้ด้วยต้นเหตุแห่งทุกข์การสละความน่าติดใจของผัสตะภายนอกจะทำให้เราเข้ามามีความสุขกับโลกภายในมากขึ้นเห็นความไร้าสาระแก่นสารของอาการทยานอยากชัดขึ้น ไม่ว่ารูปร่างหน้าตาของเพศตรงข้ามจะสะดุดตาเพียงใดไม่ว่าดนตรีจะไพเราะเพราะริ้งถูกใจขนาดไหนขอเพียงมองมาที่ใจอันเป็นอิสระจากทุกขก็จะพบว่าไม่คุ้มเลยกับการยอมกินเหยื่อล่ออันโอชะเหล่านั้น